เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเ็้าเดินไปยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสื่งจิตใ จ, จได้ใจจึงปลอมทั้งดวงซึ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมมาตามๆไปความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต ทั้งทางหต่า ง, างตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจนวลแน่ต้องแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านน่ถูกของปลอมติดไว้อย่างนิ่งคิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้ เพราะฉะนั้นเนีล่ละท่านประกาศสอนทำว่าสัจะทําเป็นของจริงทงั้งๆที่ได้ยินว่าสัจะทําเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทําเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่อปลอมอยู่เดยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ทําเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมต่างๆกันหมด เพราะของกลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั่นจะปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากจิตจอมปลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการนึกฟื้นการขุดค้นการปลดเปลื่องการแก้ไขสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อย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 เขาพิเรเป็นของหนักอยู่แล้วเช <ừ. S 1> ่นอยากจะทําอะไรนี่ขี้เกียดทําเสีย ร, เ, ยรเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ในขนะนั้นมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยคิดว่างานนั้นจะหนักงานนี่จะลําบากไปเส้นคือความคิดเนี่ยมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทจํากิจการนั้นนั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปรรัญญาศรัทธาความเพียร สายความบึกบืนการเหตุการณ์ผลไว้แวอ่านตามเหตุตามผลไม่เรื่อยพยายามบึกบืนหรือสเากาียรตตการตการเหตุผลนั้นจะยากลําบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเหตุเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสนับผู้มัง่งผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดําเนินไปนั้น อย่างพระสาุกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่และองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่ อ, อนามให้เราทั้งหลายได้กร า, าบไหว้บูชามาโดยลา ด, ดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฟื้นอุปสรรคแล้วความลาบากลําบนมาจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดแต่เพาะออย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครัง้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธาน เป็นสักขีพยานเด็ดยันในเรื่องความทุกข์ความลาบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานนี้เป็นแบบเป็นฉ บ, บัปอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านน้อยฟังแล้วเปิดความสรดสังตเมื่อเป็นนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแ้่แต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเรา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 พวกโถงช้างกงคืนเสียงตุงมปังตุงปังมาท่านกด ท, ทนิ่ดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยต้นไม้ไมบหยากที่ใช้เกิดความชุ่มเย็นดื่มจิต ด, ดื่มภาณาจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมาก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 เป็นเป็นปัจจัยเครื่องอุ่นหัวธาตุขันให้พอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจคนเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความพยายามให้มากขึ้นกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเพลิงใจบําเพ็ญสมะทังด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ได้ฉันทหารก็มีเพราะไม่พราหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารณ์เี่ยเพราะเคยอดมาแล้วนั่นไม่ฉันทั้งหลายวันก็เคยมาแล้วคบเพียงวันสองวันที่ไม่ พบบ้านผู้บ้านคนมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเอาหมดจะปัญหาเรื่อนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความหอยมั น, นไม่มีอะไรเป็นอุปสรเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวั น, นกําหนดพิจารณาอัดพิจารณาทาไปเรื่อยๆถึงที่ไหนควจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนไปบ้านไปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ามีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบรรเนทนาความาธรรมก็อยู่ที่นั่นเสีย บ า, บางแห่งก็สามเดือนสี่เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบาเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็กำปัญหาอะไรก็มีนี่เป็นความลาบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดําเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปุวะของพระกรรมฐ า, านเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ฉันเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตเลยท่าน นอกจากเขาจะมีกล้วยเขาถึงจะใส่หรือเผือกมันเขาถึงจะใส่ถ้ามันมีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือว่าพระกรรมฐานท่านไม่ชันเพราะชันจ่ามันันจะ่ถั่วแต่งาเขาไหวอย่างนั้นถั่วงาก็ะมืเพราะเขาทําได้มีถั่วมีงาเพราะมาให้ชันชันไปอย่างนั้นแหละท่านว่ไม่เป็นกันวงวลมันอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้แล้วเขาก็ควนจัดมาถวายนี่จะลำ บ, บากแค่ไหนเราที่ดี การมรรทของท่านเรื่องความภาพเพลียนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุนอยู่ด้วยความผาสุนต์รารยขาดตกบกพร่องไม่สําคัญยิ่งกว่าการทําภาวนาขอให้นี้สมบูรณ์เป็นลําดับําลางนัยยะบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความพุทธปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสาจารย์เป็นต้นที่ท่านเรียนมายากลําบากเพียงไร ถ้าเราจะมาเจียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่พ่ออย่างนี้วัดต่อบัดต่างเต็มไปด้วยสิ่งบํรุงบําเรอทั้งหลายใครไม่ฉลาดก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนั่นแหละธรรมมันหมอบทรรมหมอบทรรมจริญไม่ได้ตามในกสิบบอกถ้าเน่มนมาองค์ก็จะไม่เขา้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบาย ต, าต่างๆคําว่าหลีกเลี่ยงไม่ใช่หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงที่เด่นของตัวเองนั่นแหละ ฐานมากเป็นยังไงให้สังเกตฐานมากไม่ใช่เป็นของดีเนอันนั้นกับปมตือเข้ามาอันนี้ปมตือเข้ามาอันนี้แต่เรื่องปมตือมีแต่เรื่องยิ้มเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอัธธรรมนะทํามเจริญไหมกองอัข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเครื่องปมตือร่างกายที่เป็นการชอบคนเบียดดุดเป็นเหตุให้นอนใจถี่นั่นเจริญ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 จิตใจก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกําลังน้อยด้านจิตตภาวนาก็ขยิบขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนี่องค์ไหนที่ท่านรู้นิสยัยในการอดอาหารว่าเป็นประโยชนได้รับผลดีท่านก็ผ่อนง่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นมันไหนมันต่างกันอย่างนี้การขันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้เองครูทั้งเกลี่ย ต, ต้องรู้ในการแก้กทีเลส การฝึกการทรมานการทำนักทิเลตจึงเป็นความทุกข์ยายากอยู่ไม่น้อยแต่การถอนสมทิเลตนั้นพราะทิเลตเขาให้เป็นมันเป็นความพอใจทางนั้นนหละแต่การแก้ทิเลตนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจะมาทั่งถึงเห็นผลมากไปโดยลำดับเพราะนั้นจะมีความพอใจสื่อเพิ่มเติมดับและเพิ่มกําลังมากขึ้นในการแก้ทิเลส ในขั้นเริ่มแรกนี่มันจะไม่สนใจอยากจะแก้อ่นอกจากเป็นผู้มีพื้นเพยันดีมีความไข้ต่ออัตธรรมแล้วก็พพยายามการส่งเสริมกิเลสกับการแก้กิเลสนี่ยมันมันมีน้ำหนักต่างกันพูดที่เป็นความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอิรยบทแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามเมื่อพยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่าย เหมือนกันเราเทน้ำลงจากบนเขาไหลตลเอิดเติบโ ต, ต, ต, ตไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายแต่ถะา ง, งานการประกอบความภากเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังไงก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรู้ถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอานาจของกิเลสกดขีบ่บังคับออกมาได้โดยลําดับลำดั บ, ดบจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้ไง เราได้มาเท่านี้ด้วยกันไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะไปขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนไม่มีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันชิ้นล ม, มหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กำไรเพิ่มเติมให้ปีโดยลํานักตัดจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปชิ้อเปล่ า, ลาหาประโยชน์ไม่ได้เลยนั้นมีจํานวนมากมายหลายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่ง ผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาระนี้รู้จิตจะหายากมันชะน้อยเหมือนกันน้อยต่อหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าฐานะโดยที่คนจํานวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้โดยที่มีสาระคุณธางจาิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผ ล, ท, งผลทั้งอักทั้งทำทั้ ง, ลงโลกทั้งส า, านี่มันหายากอย่างมากเขารู้แต่ปากเนี่ะจําได้แต่ปากเียนไปจนน้ำลายจะไม่มีแล้วก็เป็นการสังสมกิเลสแต่ข้อการเรียนเพราะความรุ่งตัวเองเกิดความทั้งพันขึ้นมา มาจนรู้จนหลักเป็นนักป่าเแต่อนนั่นก็เยอะทั้งๆที่โง่เต็มตัวเรื่องอนาจของกิตเรศครอบไม่รู้จุดตัวมีมากเรื่องว่าหาสาะภานในจิตใจมันหายากเวลานี้เราคิดกำลังหาสาระําคัญใําทัญให้แก่จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมภิกษุมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเ ม, ม, ม, มื่อวานนั่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันนั่นก็หมดไปเท่านั้นวัน ชีวิตงเราหมดไปเท่านั้นไงแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ตามล่ําเวลาที่ผ่านแบนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นพนายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจสักงอะเป็นสําคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแก่ตนเองธรรมะสันทิฏิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงค่อยฝึกจิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึง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 ซึ่งตนไม่ได้ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นตน้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันทระนันทะตอนออกบวชทีแรกแนะนําสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉืียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบถุนพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในงา น, นที่จะบ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 ถึงในขณะที่เลดมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจมันปลามันหมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลี้ยงทางตาทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจประทางหูต่างตากระทบรูปเสียงจีนลดเพื่อนสัมผัสมี้ตั้งแต่เรื่องตรอมทางนั้นเพราะจิตภาให้ตรอมพอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั้นตนได้บากบั่นหันหน้าเขาโดยดั่มดับมีกําลังขึ้นภายจิตใจแล้วก็ เรื่องความปลอมเหล่านั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าสัจธรรมเป็นของจริงอยางที่ท่านสอนไว้ในตำหนักตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะกิเลสไม่ภาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมภาให้จริงน่ะถ้าธรรมภาให้จริงจริงได้ทุกอย่างกิเลสภาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเห่งธรรมปลอมจากสาระขุมจริงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชาระสาสางจน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 สุเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบประทันอวัจนสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยกให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุขึ้นเดียวกับร่างกายคือร่าง ก, กายเราก่อนจะไม่สบายในท่าใาขันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบาย เห็นเจ็บพัอองปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บพัอองปวดหัวได้อันก็เป็นชาบะสมุทยัยเขาเรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุ ท, ที่ให้เกิดทุกข์แต่ร่างกายมันมีสาเหตุ ท, ที่ให้เกิดทุกข์แกจิตใจมันมีคือที่เหตุเนี่ยก็ทราบแยกแยกกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจิตอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะถล่มกันได้อย่างไรความทุกข์ สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุเ้าก็ทราบเป็นกิเลสเป็นชาตศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นชาติศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแย่งแย่งเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นพิษเป็นภัยนี้เป็นชาติศึกกับตนเองเราจะไปสำคัญมั่นหมายหรือไปยึดไปเหยียวเอาอิ่งนั้นมาเป็นตนได้ไหมก็เช่นเดียวกับไปยึดไปมาเผาตัวเองนั่นแหละปัญญาเนี่ยนี่คืออย่างนี้ จนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะไรก็จริงหมดะทุกที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดทั้งๆที่พระย่าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสรมูไทยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเพราะอะไร มันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระธาดอันนี้จิตแต่และดวงละดวงของบุคคลแต่และคนะคนเหนโลกเกิดความวุ่นวายและสมรมภารกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนมัญหาที่ยึดที่เหนียวไม่ได้เต็มเพราะด้วยความโลภความโกรธความหงุดหงิดตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจรัตนนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกํกเาเริบเสริบฐานที่เดิมดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อน ถาเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ร้อนมากมออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความทา้าถตุกเย็นใจมีความสงบสุขได้จเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นเหตุเห็นผลเท่านั้นเองย่อนเข้ามาถึงตัวของเราเองธรรมาจิตใจจึงรุ่มร้อนร้อนสมัมภาระวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรวดลายต่างๆแสดงออกมา ผลของมันก็คือความทุกข์เท้าลงจิตใจของลราเขามีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟที่เละันหาอางวะมีสติมีปัญญามีความเพียนหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตรซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของควานั้นเข้าห่มห่อปิดบงังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจ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 นเทศเรื่ของปลอมของจริงการททั้งหลายด้วยพิจารณาแต้ไขายตัวตนเองกเหยื่อยมากสมควรออกเงินนีอย่างรถอะไรมันยุ่งตะกินไปปิดระยะออกมาเลยล้ม